สติวินัยอนุวาทาธิกรระงับด้วยสมถะสี่อย่างอนุวาทาธิกอ ร, รย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไรอนุวาทาธิก ร, รย่อมระงับด้วยสมถะสี่คือ 1. สมุขาวินัย 2. ส, สติวินัย 3. อมุรห่วินัย 4. ตัสปาปิยสิกา บางทีอนุวาธาธิกรไม่อาศัยสมถะสองอย่างคือหนึ่งอมุระหะวินัยสองตัสปาปิยสิกาแต่ระงับด้วยสมถะสองอย่างคือหนึ่งสมมุขาวินัยสองสติวินัยบางทีพึงตกลงกันได้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุทั้งหลายใส่ความภิกษุด้วยสีละวิบัติที่ไม่มีมูลสงพึงให้สติวินัยแก่ภิกษุนั้นพูดถึงความภัยบณ์แห่งสติอยู่แล้ว